นั่งตามสบายใครนั่งตามสบายก็ได้ครนอนตามสบายก็คนสบายเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาตานน้องการตอนนั้นร่างกายเราถ้ามันสบายมันผ่อนคลายมันก็อยู่ได้ใจก็เหมือนกัน ใจเป็นเขาใจยากเพะนนชีวิประวันของวกเราจะเอาธรรมะไปใช้ชีวิตประจวันจริงๆเงินพอจริือเรื่องที่เราคิดอยู่เรื่องที่เราพูดเรื่องท่เราทมันเป็นธรรมะตรงไหน เกี่ยวข้องเราอย่างไรบนตัว น, นี้ใช้จินตนาการแต่ใครไม่มีจินตนาการลำบากก็คือคิดไม่ได้คือว่าเรามาเป็นมโนภาพไม่ได้ถ้าสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเราใช้วิธีอย่างที่ได้ยินได้ฟังทุกวัน ยัอโยมาขอขอมากระตือว่าเขาเอาธมะมาให้แต่ละคนของฝากมาเท่านั้นมาแล้วก็บอ ก, บอกโอ้นพ่อโยมดีมด่อมยายสบายใจจังเลยมันน้อยส่วนใหญ่ก็คือ อาหารต่างออกอาหาวามสบายใจเราก็ฟังเ mm hmm. ขาว่เอาธรรมะมาให้เพราะะนั้นเริ่มต้นจากวิธีคิดนี่คิดเจอใจอะไรแล้วเกิดจากการเห็นเกิดจากการได้ยินได้ฟังเกิดจากภาษะเกิดกกระทบแล้วเราคิดกับเรื่องนั้นอย่างไร อย่างนี้มันจะได้ประโยชน์โดยเพราะอันยีงในชี่อยําวันเมื่อกี้นั่งดูเขาจัดอาหารมันพอดูทุกวันดูแล้วก็คิดคิดทุกวันอย่างวันนี้ขัารลางหาที่พวกเราน้อมนำมันไปก็ปสอง อ, องค์เนึ่ยผว้อาวุย์ หลากหลายสารพัจะพอขอหลวงพ่อตักตักตักตักต ก, ก้กันสามสิบสี่สิบถ้วยถ้าเราคิดว่าเราถวายแล้วพระทองชันให้แต่พรไม่ชันก็นยังไม่ได้บุญก็เองมาคิดดูว่าอันนี้แค่ส0สิบถ้วยนะประมาณถ้าหลวงพ่อตักแค่ถ้วยละ ถ้วยละช้อนตัดครั้งเดียวสี่สิบช้อนนึงแต่ถ้วยเนะี่ตัดสองครั้งก็แปดสิบ 80. ตัดสามครั้งแปดร้อยกว่าแต่กลับอย่างเดียวนะแังไมันเกี่ยวกับข้าวไม่เยวกับผลไม้ไม่เกี่ยวกับอย่างองื่นถ้าเราคิดถึ่างนี้หมายถึงว่าต้องกินให้ทุกคนทไม่กินไม่ได้นะ คิดว่าหลงพอควจะมโนาภาพไปแล้วงไงนี่ยกเป็นตัวอย่างนี่เรื่องกินตรงนี้พอตักเข้าไปแล้วเราก็ไม่เคยคิดต่ออาหารนะั้นผ่านปลายเลินเข้าไปแล้วมันองไรรสชาติเป็นยังไงมันเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรอะไอย่างนี้ต้อร่ อ, ย, อ, ย, รอยไปแล้วมันม่รู้จัก อร่อยขนาไดไหนที่มั้จังสมมติจะเจาะทองผ่าทองเข้าไปแล้วแยบๆใส่ใส่แต่แยบไปเหมือนเดิมก็จะไม่รู้ว่ารถเกาะอานหรืออะไรสรุปก็คือเราติดตรงนี้แหละบททดสอบวันนี้เรายังไม่ผ่านอันนี้แค่เรื่องกินเรื่องเดียวคือมูลอภิจนาตต่นี้ กับคำว่ากินอย่างเดียวนะถามพระเจ้าสอนไหมสอนในชีวิตประจำวันของพวกเราที่พระเจ้าสอนเราสามเรื่องนเรื่องที่สองคือเรื่องกินเนะี่ยแสดงว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยที่ผ่านมาก็คือมาพบไหมแม้แต่คำเปรียบในคำโบราณคำที่เป็นภาษเจ่น พเราคนจำได้บอกว่ากินน้อยตายยากกินมากตายเร็วแตาบอกไม่เชื่อโตก็ลองไปทําดูก็กินมากมากด้กินเยอะๆมีอะไรก็เขาเข้าไปดูว่ามันจะตายเร็วไหมมันจะไม่ตายเร็วยังไงก็โรคทางนั้นมันเข้าไป ไขมันบาหวา น, นก็คือน้ำตาลนั่นแหละหรือแป้งนั่นแหละและสารลัลเดีที่เราเอาไปถึงสาราะสัต์ทุกวันในอาหารทั้งฉีดทั้งเสริมมันไม่ได้เป็นธรรมชาติู้กินยาพิษเข้าไปเรื่ากินน้อยแต่แยกกินมากไปเรืวองะนั้นพุทธเจ้าบอก เิ็นน้อยๆพอดีรี่มคันคือมันไม่อึดอัดอยู่ได้คบว่าอยู่ได้คือครั้งเดียวไม่ตายถ้าตายครวาอาจารย์เราตายมานานตายมานันานคนที่เรียกปฏิบัติถหาได้ผลอย่างจริงจังพยายามลองดูมันจริงไหม คำที่สองที่เคยพูดอยู่ประจำก็คือกินกี่ละคาทํากี่ลอย่างอันนี้สิ่งที่เขาสอนเราต่อให้มีสามสิบสี่สิบช่วยเวลาป้อนเข้ากากกีละคํากี่ละช้อนไม่ได้ป้อนทีเดียวสี่สิบสามสิบช้อนทีเดียวกินกี่ลคําทํากี่ลอย่างนี่ธรรมชาติของคนเราเรามีควาสามารถเยอะ แต่ทําหลายๆยอย่างในขณะเดียวกันมันไม่ได้อั น, นี่คือความจริงอันนี้แค่เฉพาะเรื่องกินและที่สาคัญตัวที่สามที่พระเจ้าสอนคือสติถ้ากินแบบนั้นไมีมสติไม่นจะเกิดอะไรขึ้นไม่สติจะเป็นตัวสาคัญแต่ตัวแรกที่เราอาจจะลืมไปแล้วอ สัมรวมซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากสัรวมเกี่ยวกับส่วนบนตาหูจมูกป่าถ้าใคเป็นสัมรวมของมันระวังก็อันตรายสุดไปเสหรือโทษที่เกิดจากปัจจัยไปเท่าก็เกิดแค่นี้แหละคูกตารางเกิดจากนี้แหละมันไม่ได้เกินไปกว่า น, นี้เพะนั้นถ้าพูดถึงตารางอะไรกันนึกถึงพฤติกรรมพฤติเกินที่พวกเรา ทำทุกวันไหวตารัแบบเสียงนฏิประจภ์เพราะอย่าเราเคิดมันเป็นธรรมะไหวพระคือไหว้พระรัตนใจให้มีพระรัตนใจเป็นพิพึ่งเป็นหลักในชีวิตแย่าอาอะไรไปยึดเป็นหลักในชีวิตก็องมีอะไแน่นอนนอกจากนี้ไม่มี เรให้มีของมีค่ามีในใดานนี้ลงประซู้พระราตนะไตรไม่ได้ต่ ม, มีค่าสัพย์สินเงินทองที่เป็นรูปธรรมนั่หลายเลยประสู้ของพระราตนะไตรไม่ได้ไม่มีค่าอันเี็นสองก็คืออันนี้ฝากไปสําหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นแนวนึ่แนวคิดแนวปฏิบัติปรเด็ น, นสองก็คือว่าพระเสร็จแล้ววสิ นี่ดีขึ้นว่าเราเือว่าดีอดลูกิดมานานว่าจะพูดยังไงเพื่อเข้าใจก็คือให้พวกเราไหว้พระนีสมาทานสินงเองก็ที่ผ่านมาจะว่าหรือพ่อไปสามงานก็ต้องให้สินสามงานเจองานไหนก็งานนั้นให้สินทุกงานก็ถามว่ารับไปแล้วเนี่ยสมมติว่า สินห้าสินห้าก่อนเรารักษาได้ไหยเอาแค่ยี่สี่ชั่วโมงรักษาได้ไหมไม่ต้องมาแต่ถามอย่างนี้ไปเหมือนกับโดโถูถูกจริงๆถ้าดูถกูกแปลว่าดูไม่ผิดมันน่าจะดีนะเขาดูถกูกคือดูไม่ผิดแล้วเราก็ต้องมาถามเราจะรับไปแล้วเนี่ยมันถึงสิบสองชั่วโมงถึงยี่สี่ชั่วโมงไหม เราก็ไปคิดต่อเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารับไปแล้วสมาทานไปแล้ว12ชั่วโมงก็ไม่ได้24ชั่วโมงแล้วเ้าได้กี่ชั่วโมงถามพวกเราว่าเราเคยทำประกั น, นอนะไรไหในชีวิตอของเราเนะประกันสังคมประกันชีวิตคือบรวงจะบแค่ได้ป่วย เออื่นอื่นใ้เราประกันตอนชีวิตกันอาจจะแค่ได้ป่วยจะได้ใช่อันนี้ประกันร่างกายประกันชาตินี้แล้วชาติหน้าได้ทําประกันไว้ไหมพามาได้ทําประกันก่อนที่แหล้วประกันมันประกันอะไรปัญญาติปาปตายินาธานา ประกันชีวิตนะคือการประกันชีวิตนี้ไม่ใช่แค่ชีวิตนี้ชีวิตเดียวชาตินี้ชาติเดียวมันเป็นชาติหน้าไม่มีบริษัททั้งร้านเลยที่จะทำประกันนะมันถ้าใครมีสินนั้นน่ยก็คือเป็นหลักประกันชีวิตของเราแต่ใครไม่มีก็คือคนนั้นไม่เหล็กประกันชีวิตแปลว่าอะไรถ้าเป็นหลักประกันชีวิต มันปัจจุบันถ้าเราทำก็เก็บแค่ได้ป่วยถ้ามีประกันก็เชื่อยอะไรไม่ได้ประกันชีวิตเหมือนกันถ้าชีวิตนี้หมดลมหายใจแล้วชีวิตข้างหน้ามันไม่มีหลักประกันอะไรเลยที่มารองรับพวกเราว่าจะได้เกิดมาอีกไหมจะกลับมาอีกไหมเป็นคนอีกไหมเป็นมนุษย์ไหมมันไม่มีหลักประกันใดๆการมีสุภาษิ ประกันสังค ม, มสังคมเราอยู่ได้ราบรื่นเรียบร้อยไม่เดือดร้อนผัวตัเมียทุกวันเป็นข่าวอะไรวันผู้หญิงผู้ชายผู้กายผู้หญิงหัวขัดเมียเมีว่าผัวสารภาพไม่เกิดรับประกันเพราะเราไม่มีรับประกันในสูความสําคัญให้ตัวเป็นเรื่องจริงใจในชีวิตในครอบครัวข้อสี่ข้อห้านะ ประกันสุขภาพเลยปากไม่ดีสุขภาพไหมสารยาเสพติดทุกชนิดสุขภาพนประกันสุขภาพสุขภาพตัวเราเองนี่แหละเห็นไหมเราแค่พูดถึงแค่ 45, สิ่งห้าิ่งเดียวสี่ห้าข้อเนะี่ยมันคมทั้งชีวิตเลยอะไรเป็นไปไ ด, ปด้นี่คือความยิ่งใหญ่ความสำคัญของสี่งห้า ถ้ารอให้ควสําคัญน้อยสังคมเราก็จะอยู่กันหนเราไปดูคุกตารางคนที่อยู่ในคุกเนี่ยเกิจะอะไรมไม่ใช่ละเมิดสิทธิ์ห้าอะไมันให้ค่าข้อเองนะเป็นแสนๆนะที่อยู่ในคุกเนี่ยก็เพิเยอะกว่าพราเองนะไม่พวกนี้ทุกจังหวัดจอดไหนไม่มีไม่มี แต่ไม่เทุกวันนี่คือความสำคัญแค่ห้าข้อฝ่าควรทุกคนเพื่อเอาไปคิดไปพิจนารณาแล้วมีอีก เ, เรื่องคือสองหลักประกันเพราะนั้นถ้าใครยังไม่ทำประกันก็รีบทำเถเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้คือตั้งต้นใหม่ทำได้ประกันที่เราจะทำมาปนี้ไม่ต้องใช้เงินบาท ในมดประกันอย่างอื่นแต่เกิอนอนึ่วันละสิบาทยี่สบาทสามสบาทตีสองสามพันแต่ตรงนี้ไม่ต้องเลยบาทเดียวก็มาตอนใช้เป็นมไหมี่คือความยอดเยี่ยมอของศาสนาขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต้องลงทุนอะไรเลยบาทเดียวก็มาตอนใช้รักษาสีหา่ห้านาทบาทเดียวก็มาตอนใช้แต่เราก็ไม่เห็นคุณค่า ไม่สำคัญรื่ความจริงจังกับสิ่งเหล่า น, นี้นี้ตรงข้ามสมมติว่าเราขาดสินห้าตัวนี้ไปอนาคตอนาคตแปลว่าถ้าเรายังละเมิดสินห้าอยู่ที่เกิดออกมากลับมาอีกครั้งมันไม่แน่นะตาอาจจะเหลือข้างเดียวก็ได้ โออาจจะไม่ได้ยินเลยก็ได้ปากอาจจะพูดไม่ได้เราเคยเห็นสื่อเหล่านี้มามีถามเพราะ อ, อะไรเราก็เมือเ่อยคิดก็เพราะว่าละเมิดสินสินไม่ครบสินด่างสินคล้อยบอกเปรียบเชื่อไปฟังอยู่เสมอว่าสินด่างสินคล้อยคืออะไรแต่เมืม่อก็โคดางเหมือนกับเราใส่เสื้อผ้าอาพร ข้อศีลไม่คืออาปอนนีเครื่องประดับก็ไปเสื้อผ้ากางเกงจีวรหลอขาดเป็นช่องเป็นรูเป็นจีวรเหมือนกันเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นกเกงเหมือนกันแต่มันขาดไปเป็นรูเป็นปุกนั่คือสินด่างสินปลอยสินขาดเป็นอย่างนั้นไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์นั่นคือคนที่ขาดศีลห้า ในเฉพาชีวิตนี้ชีวิตหน้าเราก็เห็นกันเยอะหรืออาจจะไม่ได้เป็นคนเลยสิ่งตัวเราก็ไม่มีเป็นคนไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นอะไรสิงสาลาสัตว์ปวดตรงๆเพราะอะไรก็จิตมันต่ํามันไม่สิ่งไม่ทําเขาก็ไหลไปอยู่ไปกองกันอยู่อย่างอยู่ใ น, นประเภทเดียวกันนี่นะเขาเป็นคนเป็นมนุษย์ นึกถึงประเทศชาติบ้านเรานะเราถือว่าอยู่ดีมีสุขนะถือว่าสงบบ้านๆอื่นรอบๆมาต่ออะไรมากแต่รอบๆ บ, บ, บ้านเราตอนนี้เกิดอะไรขึ้นตะวันตกตะวันออกตัวนี้เกิดอะไรขึ้นตายเป็นหมือนๆ ม, มีอะไรทาําค้ากันเล่นทะเลาะกันเรื่องควาเชื่อไม่เคความเชื่อซึ่งกันแลกัน แต่ความเชื่อในศาสนาของเรามนะุ่งไปที่ปรารถนาใจจบก็นจะไปลงที่คนใดคนหนึ่งที่นี่มีตัวไม่มีตนนี่คือควัมเชื่อของศาสนาพุทธเราเชื่อได้แต่ต้องเชื่อในพระตถนาใจนะเอาเป็นหลักเป็นอื่นก็เป็นรองลงมาแต่ทุกวันนี้ถ้าเราแป่อย่างอื่นเป็นหลักแต่เอาความเชื่อตัวเองเชื่อที่จำๆกันมาต่างๆกันมาแลยวกันมามันก็เป็นอย่างนี้ เพราะว่าไม่มีหลักในความเชื่อในความคิดในประเด็นเนี่อที่สองจทีงงเมื่อกี้เราเห็นอันนี้เท่าที่เก็บข้อมู ล, ลกลับมาเล่าเรื่องเก่าเนี่ยะรก็คือหนังสือธรรมะมีประปายายไม่ดีนระาไปแจกแจงกันที่พูดมาตั้งเปียบมาเป็นเรื่องนี้เดี๋ยวสั้น ถ้าถามเราตรงๆตอนนี้คือมีใครอ่านจบมา้มันร้อยกว่าหน้านิดเดียวเองแล้วก็สั้นมากข้อความใครเอาไปอ่านจบมาแล้วมั้จบแล้วคิดอะไรได้บาัายรอไปคิดตที น, นี้อันนี้แค่นักสือเล่มนักสือเล่มนี้อเอามาจากไหน อันนี้นเป็นความคิดส่วนบุคคลบุคคลก็มาจากนั่นจันน์จันน์มันมันเก็ดจาธรรมชาตินะแต่มันมีนอยู่เป็นอยู่ที่มันปรากฏอยู่อันอันนี้นนเรียกว่าห น, นังสือเพราะนักคนที่เราฉลาดได้นะก็เพราะเราเรียนหนังสือก็ไกลเขาเขยดีสื่อในสารเสงพอรูเรื่รๆๆองเรื้ก็จะการอ่านการเขียนผสมสารพยัญชนะ กานอ่านออกเสียนได้มาเขวาว่าเห็นแล้วก็อ่านรู้เรื่องเข้าใจอันนี้คือหลักหลักคิดบรนังจะฝากพวกเราทุกคนอย่าลืมสิ่งที่เราทำเป็นประจำาี่แหละมีค่ามันมีความหมายเพราะฉะนั้นวันวั น, ว น, วนหนึ่งลองสมาทานเองอย่างนีน้อยู่ที่บ้านก็ทำได้สมมติวันนี้เราอยา ก, กรับสิบห้าหรือสิบแปด ก็ได้ทําไม่มีโอกาสก็สมาทานเองที่บ้านเลยปฏิญาณตอนที่บ้านเลยนี่คือการสร้างประกันหลักประกันของชีวิตทุกวันและจิตใจเราจะมั่นคงนึกถึงแมลงก็อ่อเรามีหลักประกันนะมหมดลมหายใจไปแล้วนี่ถ้าไม่มีอะไรเลยนึกอะไรไม่ออกเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นความดีสักข้อ ส, สักเรื่องนึกไม่ออกมันจะเกิดอะไรขึ้น แล้วเคยทานเต็มเต่านาทบทวนกว่อหลับก่อนนอนทบทวนอย่างได้ทุกวันทําให้ไปที่สายว่าวันนี้ชั่ววันนี้เราความดีเราทําความดีอะไรตั้งแล้วมันจองกันข้ามความไม่ดีนะเราทาอะไรบ้างคิดไม่ดีคิดอะไรพูดไม่ดีพูดอะไรทําไม่ดีทําอะไร มันจะได้เป็นบทเรียนถอดบทเรียนทุกวัน่ถ้ามันดีอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันไม่เป็นผลดีต่อเราต่อครอบครัวต่อตัวเองต่อคนอื่นก็จะต้องตั้งจิตลดละและะ้วก็ทเลิกทา อ, อย่างนี้ทุกวันจิตมันจะจำเหมือนตั้งโปรแกรมไว้เหมือนสอนนะคือสอนจิตนั่นแหละ อั่างนั้นก็จะมีกติมก็มกันก็ไม่จําออกมาก็จะซ้ํำซากอย่างนี้พูดไม่ดีก็พู ด, ดอย่างนั้นพูดไม่ดีจาระก็พู ด, ดอย่างนั้นมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันการปฏิบัติธรรมคือควบคุมกากับดูแลตัวเองให้อยู่ในระบบระเบียบเรียบร้อยเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะได้กําไรทุกปันถ้เป็นค้าขาย ก็ได้กำไรทุกวันถ้าไม่ได้กําไรก็จะแปลนอะมันก็ตรงกันข้ามเราก็จะขาดทุนทุกวันเราขาดทุนกี่ปีแล้วถ้าเป็นค้าขายอันนี้เจ๊งแล้วเจ๊งอีกเจ๊งแล้วเจ๊งอีกเราก็ยังคิดอยู่เลยเราก็ยังค่าขายอยเลยขายอันเนี้ยขายแล้วมันอยู่ไม่ได้เราก็ยังขายกันอยู่สามสิบปีสิบปีแล้วก็แปลวคิดอย่างนี้มันลําบากนะ พูอดอย่างนี้มันลำบากมนาะทำอย่างนี้มันลำบากมันเป็นทุกข์นะเราก็ยังทำอยู่อ่ะจะไปโทษใครไม่ได้เนะพราะเราเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของกิจการกิจการของเราคืออะไรคือความคิดคือคำพู์คือการกระทาเราบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เราก็เจง๊งเราก็อยู่ไม่ได้ ก็คือขาดทนุนเพราะนั้นชีวิตขาดทุนเป็นอย่างนีน้ชีวิตที่กำไรคือเราสามารถอุดมฐารจาด ก, การความคิดตัวเองได้คำพูดตัวเองได้การกระทาตัวเองได้นี่คือกำไรเมื่อมีกำไรไม่ใช่กไรชีวิตที่ชีวิตเดียวนะนี่คือต้นทนเราพวกเราต้นทนที่แน่จริงคือบุญกุศลนี่นแหละเป็นอื่นนี่มีดีไปต่อนณะไม่มีเพราะนั้นทำสองอย่างนี่นบุญกุศล บนคือทานมันสบายมันเต็มมันเพิ่มขึ้นมันมากขึ้นอยู่บนกุศลคือฉลาดคิดก็ฉลาดพูดก็ฉลาดทําก็ฉลาดนี่คือกุศลแล้วภาวนาเป็นภาวนาคือทำให้มันเจริญทำให้มันขึ้นเพิ่มขึ้นทํามันสว่างขึ้นไม่ใช่มืดลงยิ่งอยู่ไปยิ่งมืดยิ่งมองไม่เห็นอะไรยิ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลย น, นี่คือมืดอยู่ด้วยความมืดแล้วอยู่ได้เหรอเขาสอนเราความมืดเนี่ยมันกลางคืนเนี่ย อ, อยู่กับความมืดมันถึงได้หลับตามันถึงไม่เห็นความมืดเพราะว่าถ้าความนี้ก็เราตาก็หลับนั่นแหละเรีเยก ว, ว่านอนหลับเราไม่เห็นความมืดจริงๆเราก็อยู่ความมืดเป็นสว่างเมื่อไหร่ตื่นขึ้นมานจะรู้ว่ามันสว่างนะจิตมันเป็นอย่างนี้ ถ้าจิตมันหลับจิตมันไม่ตื่นดูไม่ตื่นรู้ไม่มีบุตรมันก็เหมือนกลางคืนนั่นแหละทีนี้เราจะให้จิตของเราเนี่ยมันมืดทั้งกลางวันและกลางคืนเลยมันมองไม่เห็นอะไรเลยกลางวันก็มองไม่เห็นกลางคืนก็มองไม่เห็นจะเอาอย่างนั้นเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันสว่างบ้าง ปปเพความแสงสว่างในชีวิตของเราบางในชีวิตดตายบางซึ่งธรรมชาติเขาก็สอนเราสอนทุกวันไม่มีวันไหนที่เร า, เาไม่สอนเราไม่มีแต่สอนก็คือครูมีแต่ครูไม่มีใครเรียน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมีแต่ผู้สอนครูเข้ามาในห้องแล้วไม่มีนักเรียนเลยแล้วครูจะสอนใคร มมนได้เรียนเไม่เอาไปเนื่อเราไม่เรียนพรครูก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะนั้ น, ะนมันต้องพร้อมต้องมีตั้งครูมีทั้งนักเรียนพร้อมที่จะสอนพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกวันอย่างนี้ก็จะชื่วยใการปฏิบัติธรรมที่ดีเป็นนักปฏิบัติที่ดีนั้นถ้ใครมีโอกาสมีเวลาเท่าที่ตำนวยกับตัวเองนี่เป็นประโยชน์กับตัวเอง เดือนหน้าเป็นเป็นเดือนที่บพระพุทธเจ้าของรประกาศศาสนาให้มันคงปลรปลักการแล้วก็บอกเจตนาเราว่ามิสุ 1,250 รูปทรงไปประกาศศาสนาก็คื อ, คอต้องการให้พูดอย่างนี้แหละไปเล่ากับเราวัตรยาจงจะบาทฟังหรือจะไปไปซ้ำกันนะไปคนละทิศคนละทางไปเพื่อประกาศเพื่อบอก คำพูดคำจาคำทีด่ดีเรื่องดีๆในชีวิตสร้างหลักประกันกับชีวิตจนเราสถาบันมั่นคงมาตลอดสองพันกว่าปีมาแล้วาศาสนาของเราก็อยู่ได้มาทั้งสองพันกว่าปีแ่เพื่อว่ า, าศาสนาอื่นที่เป็นาศาสนาหลักๆเราก็ไม่น้อยหน้าในเรื่องของอุดมการคือเป้าหมายเื่องอุดมการหรือหลักคาสอน แม้แต่ตัวบุคคลเองหลักตัวบคุคคลหรือว่าหลักของคําสอนเราไม่น้อยหน้าศาสนาอื่นแต่ที่สาคัญก็คือท่านสอนให้เราใช้สติปัญญาเท่าที่มีอยู่พิจารณาอย่าไปเอาแค่ความเชื่อาศาสนาอื่นเขาเชื่อนําเลยเจ้าจงเชื่อและก็ยังบอกถ้ามีก็ต้องมีบอกว่ามีมีเบื้องบนก็ต้องบอกว่ามี แต่ถามไม่ได้สักไซเลี่ยงไม่ได้ควจะถามว่าเบื้องบนจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เอาเราสมมติเราต้งถือพระเจ้าแต่จะถามว่าจะไม่มีใครตั้งคำถามเพราะว่าสอนให้เชื่อถ้าจะมีคนตั้งคาถามว่าสมมติเราอยากเป็นพระเจ้ามาั่งเราจะต้องทำอย่างไรอันนี้ไม่ได้ดูถูกประมาทนะ เป็นแสดงหาคมตอบว่าการเป็นพระเจ้าจะต้องทำอย่างไรพระเจ้ามีอายุยืนขนาดนัหนและพระเจ้าเนี่ยมาจากไห น, นเพราะว่าธรรมชาติมันต้องมีที่มาที่อยู่แล้วก็ที่ไปครับต อ, อนรน้อนตอบไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ควรจะพูดถึงด้วยห้ามพูดถึงจงๆ ง, ง้วยสท่าก็คือ ทำความดีทั้งชีวิตเนี่ยจะพายก็ต้องให้ทันไปกดตัดสินเราตัดสินเองไม่ได้อันนี้คือความเชื่อนะแต่ของเราเนี่ยถามว่าทุกคนเป็นผู้เจ้าได้ไหมแล้วพระองค์ก็ชี้อีกว่าเป็นผู้เช่าจะต้องทำอย่างไรเหมือนพระองค์สิบชาติห้าร้อยชาติค์เป็น้งหมดแล้ว ถ้าใช้หมดแล้กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ากว่าจะเป็นได้พรุทธเา ก, กว่าจะเกิดหรืออุบัติขึ้นองค์หนึ่งไม่ธรรมดาบำเพ็ญบารมีไม่ธรร ม, มาดามันนับประมาณไม่ได้นับปีนับชาตินับพบไม่ได้เลยกว่าจะเป็นพคนละเป็นผูน้นําคนคนหนึ่งได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่ธรรมาดาพระพุทธเจ้าก็ถามทุกคนจะได้นี่คือพระพุทธเจ้านี่คือศาสนาของเรา แต่ทีสัตย์กันก็คือพระองค์ไม่ได้กล่าวตัวว่าคําพูดคําจาชีวิตชิดได้คิดได้โดยตัวเองมันเป็นธรรมชาตินี่อยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายมันมีกับเราทุกคนอยู่แล้วมีคนไหนที่ไม่มีปเปรี้ยงแต่ว่าเราไม่รู้ความจริงอันนี้และที่สำคัญคือรู้แล้วไม่ยอมรับความจริงก็อยู่ไม่ได้วันหนึ่งก็เกิดแก่เจ็บตายกจากกันไปมันไม่ได้จากแค่นี้ มันยังไปต่อนะแต่รู้แค่ว่าเราก็เกิดแก่แก่ไปก็ตายรู้ชาติเดียวแค่นี้ต่อไปไม่รู้หลังหลังจากนั้นคือที่มาเราเราก็ไม่เคยรู้เพราะนั้นอยากจะรู้ทำได้ไหมทาได้ตั้ภาวนาตั้งแจให้เราสงบสงอบตั้งมัน่น ม, ม, มีความรรู้ในความหังการด้วยสมชืิอเกิดปัญญาเราะจะเห็นข้างหลังของเรา เบื้องหลังของเราตีอยูข้างหน้าของเราเห็นปัจจุบันครับพวเราปัจจุบันเราแค่ปัจจุบันเราจะมองไม่เห็นเลยเพราะเราไม่อยู่กับปัจจุบันมันละเอียดมันลึกซึ้งแต่ละพูดแต่ละคำแต่ละประโยคถ้าเราโอเปนไอโฟนน้อมรัาตัวเองมันน่าสนใจมันไม่น่าเบื่อการปฏิบัติธรรมของเราไม่น่าเบื่อเลยมันยี่ความสนใจยิ่งเพิ่ม มานะคือความพยายามวิริยะความเพียรให้ม า, มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้เมื่ล อ, อล้มหายใจจากบนล้มหายใจแล้วมันจะได้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองไม่อย่างนั้นแล้วเราก็เชื่อเป็นแก่เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายฟรีถ้าเราชอบของฟรีก็ไม่เป็นไรอยู่อย่างนี้แหละอยู่เพื่อเกิดเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพือเพอเพ่อตายแต่เวก็ฟรีด้วยนะ ถ้าใครชอบของฟรีถ้าใครบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกลนี่แหละคือของฟรีขนาดไหนถ้าใครชอบของฟรีแต่ชอบของแถมมันจะแถมตามมาอีกเยอะเลยเป็นของแถมต้องระวังนะพระปัถ้าอยากได้กำไรไม่อยากขาดทุนในชีวิตเริ่มต้นอย่างนี้แต่ที่เราทำนี่แหละสุกแล้วเดินต่อไปให้มันไปที่สุดเก็อีกไกลได้แต่ไปย่ําอยู่กับที่ อยู่กับเดิมย่ำอยู่กับที่ก็คือเป็นคิดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมนี่คือย่ำอยู่กับที่มันไม่ไปไหนมันไปไกลไปกว่านี้นะการปฏิบัติธรรมคือต้องการให้เราเข้าใจหลักการอันนี้แล้วก็นําหลักการอันนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เราไปจะก้าวหน้าดีขึ้นเพิ่มขึ้นก็นนจะเป็นหลักประกันของชีวิตอย่างแท้จริงเลย ในก็ผ่านพวกเราทุกคนเพื่อเป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่เรยาประสบการหน้ามีความสุขความเจริญการร้องไห้เราจะไ ด, ไดความสุขคาขเจริญในปีใหม่ในปีนี้เดืนเอนแรกก็อยู่บนโลกก็ไม่เป็นไรธรรมดาแต่ว่าให้ยิคนเจริญทางโลกอยู่ทางธรรมก็ให้เจริญแต่ทางธรรมแต่ถ้าเจริญทั้งสองอย่างได้คืออยู่บโนโลกก็เจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็เจริญทางธรรม ขอให้าได้ความสุขกเจริญทางทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านทิน